มักผลนี่ผ่านมันก็ไปถึงได้รู้ได้เข้าใจเพราะว่าใจดีใจมีความภากใจมีความเพียรใจมีความหมัน่นความขยันใจมีความอดความทนหนักก็เอาเบาก็สู้ตั้งใจประกอบกระทํำอยู่เสมอไม่ใช่จะเอาแต่ความสะดวกสบาย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 ตั้งใจกำหนดภาวนาอนาปาลมหายใจจนจิตใจสงบตั้งมัน่นจึงได้ปัญญาวิชาความรู้แจ้งในลูกแจ้งในนามแจ้งในกายในจิตเห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกครั้งอนาตาทั้งลูกนามกายใจทั้งโลกภายนอกด้วยทั้งคนทั้งสัตว์ทางวัตถุธาตุทั้งหลาย ท้องฟ้าดินฟ้าอากาศอะไรอะไรพระองค์ก็แจ้งหมดรู้ได้เข้าใจหมดจึงเลิกได้จึงละได้จึงตรัสรู้ได้ตัดขาดแล้วก็รู้เดี๋ยวตรัสรู้ตัดแล้วก็รู้แจ้งแทงตลอดตัดไม่ขาดตัดไม่ขาดละไม่ออกมันก็ไม่แจ้งใจนะ้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 มันเป็นเสียอย่างนี้นั้นในปากกันลุกขึ้นตื่นขึ้นอย่าให้จิตใจท่อแท้อ่อนแอจงเตือนใจของตัวเองอยู่เสมอว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่อ่อนแอท่อแท้เหมือนเราท่านทำบุญให้ทานเต็มที่จิตใจของท่านก็สามารถอานทานท่านรักษาสีมของท่านให้บริสุทธิ์จิตใจของท่านก็สามารถอาหาน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 ก็จะมีแต่ความสุข ก, กายสบายใจฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้สะดับรับฟังแล้วเข้าใจแจมแจ้งในใจของตนอย่างใดจงนำไปประพฤติให้ดีปฏิบัติให้ชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลก็จะได้ความรู้ความฉลาดความสามารถอาจหาร ดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาละเวลาเอวังก็มีด้วยประกาละชนีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัศตุมาเตภวัตวันตราโย ο, สุขีธีคายุโกภวะอภิวาธนาชิริสนิจังวุ ธ, ธาปั ย, ยิโนโ จัตตารโธรมมาวัฒติอายุวันโนสุขังพาลังนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ ah ุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ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 ฝึกจิตฝึกใจให้มีสติคนเรามันขาดสติอยู่ตลอดเวลาสติคือความระลึกได้เจตใจดวงผู้รู้โยภายในนี่แหละต้องระลึกได้ต้องระลึกอยู่ระลึกอยู่เสมอ ละเลอกว่าเดี๋ยวนี่ก็ละเลอกว่าเราภาวนาพุทธโธเอาคุณพระพุทธิจ่าเป็นที่พึ่งรวมใจเข้ามาโสจุดดวงจิตผู้รู้นึกพุทธโธอยู่รวมเข้ามาที่กงนี้ให้ได้และเวลาหนาวนี่แหละอย่าให้จิตไปเกี่ยวข้องกังวลกับความหนาว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 ที่เราทุกขนทุกดวงใจทั้งหญิงชายเด็กหน่มแก่คฤหัสและนักบวชจะต้องมุ่งลองไปจุดนี้ให้มากที่สุดเนี้เมื่อหนาวมันก็มีเป็นหวัดขัดยมูกไปด้วยก็ะยาไปเป็นทุกเป็นร้อน ก็ับเป็นวัดขัดจมมกยกจิตใจให้มันสูงกว่าลูกนามกายใจไม่ให้มันมายึดถือวัดเราหนาวเราเป็นวัดขัดจมมกเราเป็นไข้ไม่สบายเรามีโรคอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องว่าโรคอะไรก็ตามมันก็โรคแก่โรคชราโรคอะไรเนี่ย คนที่สุดก็ถึงขั้นโลกตายนั่นแหละมันไม่ไปไหนจะมาย่อท่อในหัวใจไม่ได้ในเมื่อเวลาหนาวก็ตามร้อนก็ตามฝนก็ตามความจริงร้อนหนาวเขาไม่ได้เป็นทุกน้ำดินน้ำไฟลมเขาไม่ได้เป็นทุกเจตใจของเรานี่แหละมันเป็นผู้ทุกไปยึดไปถือ ยึดมั่นถือมั่นมากเท่าไรก็ทุกมากเท่านั้นถ้าไม่ ย, ยึดไม่ถืออะไรก็เรียกว่าพ้นทุกไม่มีทุกข์ใจอันรูปร่างกายนั้นมันจึงมีทุกเป็นธรรมดาธรรมดารูปร่างกายเกิดมาแล้วใครจะมากันไว้ไม่ให้มันแก่มันชราไม่มีทางแก้ได้ โรคประขันนี่เมื่อมันเกิดเป็นตัวตนอย่างนี้แล้วจะไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นไปไม่ได้แล้วเจตใจไม่ภาว น, นาพุทธโธไม่บรรลุถึงคำว่าพุทธโธจึงมาเป็นทุกข์เป็นรอนกับธาตุสี่ขันห้าอายตนะาทาั้งหลาย เพราะความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนความยึดเรายึดของของเหล่านี้แหละเป็นตัวสำคัญจงทำใจของตนให้สงบตั้งมั่นลงไปเรียกว่าสมาธิที่ให้นึกพุโทโธหรืออุบายหนึ่งอุบายใดก็ตามจดมุ่งหมายท่านให้ใจของเราทุกดวงใจตั้ง เดี๋ยวนี้ใจมันนอนใจมันนอนมันเลื่อนลอยมันนอนมันลหลงไหลคิดออกไปตามลูกเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัทธรรมลมรวมกำลังเข้ามาตั้งในจิตใจให้ได้ทุกลมหายใจจึงจะเข้าใจในธรรมปฏิบัติ สติให้มีความะระลึกโยในตัวในใจเมื่อเกิดความทุกข์อันใดขึ้นมาในร่างกายสังขารนี้เป็นต้นว่าเดี๋ยวนี้เรีย ว, ว่าหนาวเย็นหนาวเมื่อความทุกข์อย่างนี้บังเกิดมีขึ้นนั้นท่านว่าทุกข์อย่าไปบน่นอดทนเนา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 ธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมไม่ได้ว่าเจ็ดหลองเจ็ดยึดถือมันไปว่าว่าหนาวหนาวก็สมมุติเอาตัวหนาวมันไม่ได้ล่องเปลา่ปลาเปาเหมือนคนว่าข้าพเจ้าหนาวนะลมเหนือมาลมใต้มาอะไรว่ามันก็หนาวนะเขาว่าหรือเขาไม่ว่าธาตุดินเขาว่าที่ไหนดูแผ่นดินภายนอกสิ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 จะได้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระโดกตับไตไส้พงุงสิ่งปฏิกูลโสโครกในร่างกายสังขารของตัวเองจะได้พิจารณาให้มันเห็นแจ้งเมื่อมันไม่แจ้งมันยังหลงโมหะอาวิชชาอยู่ก็มาหลงไหลในโลกร่างกายตัวเองนั่นแหละเป็นข้อแรก เมื่อไม่โดไม่พิจารณารูปประหารร่างกายของตัวเองมันก็ลหลงไหลไปตาม่ายนอกเมื่อลหลงไหลในรูปของตัวเองกิเลสมานสังขารมานภายในนี่แหละมันก็หลอกลวงให้ลหลงไหลไปในรูปคนอื่นเกิดความรักให้พอใจในรูปนั้นเจตหลงนี่มันก็มาคิดเอาว่า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 สวยสดงดงามที่ไหนโศคกปฏิกูลเหม็นสาบเหม็นข่าวนอนอยู่ได้ตั้งสิบเดือนทีนี้เมื่อเกิดมาแล้วยังจะไปหลงไหลในเรื่องนั่นอีกหรือนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านจึงให้พิจารณาให้ภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่น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 เจ็บเราไปหลงหลงว่าเราเจ็บเราไข้เราไม่สบายหลงธาตุดินน้ำไฟลมดูเมื่อมันเกิดมาแล้วมันแก่ชราเจริญขึ้นเมื่อเจริญหมดขีดแล้วก็ชราพยาธิมลณะนะดูทีมันเป็นอย่ังไะเมื่อมันตายแล้วอะไรแสดงออกมา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 เทียแผงโดให้รู้แจง้งทุกลมหายใจเข้าออกตัวโกของโกตัวข่าของข่าตัวเราของเราที่ไหนจิตหลงทางนั้นจิตไม่ภาวานาจิตไม่ละกิเลสความโกรธในใจจิตไม่ละกิเลสความโลภในใจจิตไม่ละกิเลสความหลงในใจจึงได้มายึดหนาวยึดร้อน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 ดันยาไปย็ดหนาวถือหนาวตั้งใจขึ้นมาใจให้ยกขึ้นมาให้สูงส่งหนาวถ้าใดเราภ า, าวนาเหงานอนง่วงนอนก้มลงไปจนถึงพื้นใช่ไม่ได้เยืดตัวขึ้นทำมันสูงส่งเระเลิกโยนในตัวในใจอย่าให้ขี้เศร้าเหงานอนเข้ามาทับผมได้ เจตใจภาวนาอยู่พุทธโธในใจอยู่ที่ไหนเจตใจดวงผู้รู้อยู่ที่ไหนในเวลานี้รวมกำลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจนั่นอย่าไปคิดว่าคนอื่นผู้อื่นจะมาช่วยแก้ไขให้ไม่มีแม้องพระพุทธเจ้าของเราในสมัยที่พระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่พระองค์ก็ทรงตรัสว่า เราตถาคตก็เป็นผู้ชี้แจงสแสดงตัดพระธรรมเทศนาให้สาวกทั้งหลายฟังสาวกทั้งหลายต้องนำไปปฏิบัติบูบชาภาวนานละกิเลสราคะโทสะโมหะของตนให้หมดไปสิ้นไปไม่ใช่เราตถาคตไปละกิเลสให้ท่านทั้งหลายเมื่อเราฟังคำข้อนี้ให้ดีเราก็เห็นว่า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 ไม่ใช่พ่อแม่ญาติวงบริโภคอาหารเราไม่กินอาหารเราจะมีอายุมาถึงวันนี้ไหมเป็นไปไม่ได้รูปเปียดในอาหารนี่ฉันใดการสดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนการประพฤติดีปฏิบัติชอบการทำความเชยนละกิเลสในหัวใจของตนก็เป็นหน้าที่ของตนโดยเฉพาะ ไม่มีใครจะไปช่วยดั้เหมือนเราบริโภคอาหารเหมือนเราสูดลมหายใจเข้าออกถ้าเราไปเยิมจะโมคนอื่นหายใจมันจะได้ที่ไหนจะโมใครผู้นั้นก็หายใจเราจะไปเยิมจะโม่เขามาหายใจได้หรือไม่ได้ เมื่อไ่ได้เราก็ต้องรวมความในใจของเราได้ทีเดียวว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมะในทางพุทธศาสนา น, นั้นตนเองต้องตั้งใจขึ้นมาหัาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะไม่มีให้ใจเราทอดถอยในการปฏิบัติ นั่งก็ภาวานาพุทโธยืนก็ภาวานาพุทโธเดินไปไหนมาไหนไปรถไปลาก็ภาวานาพุทโธรวมจิตใจเข้าไปภายในนั่นเองจะภาวานาบทใดข้อใดถูกกับเจริญจิตใจของตนอันใดก็ได้นึกถึงความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บไข้เป็นทุกข์ความทับท่าจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์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 มีประโยชน์อะไรจะมาหลงหยึดในร่างในกายในหน้าในตานี่ทาไมจงภาวนาให้รู้แจง้งในจิตใจของตัวเองแก้ไขใจไม่ให้หลงไม่ให้มายึดเหลายึดรลอนคว า, ามทุกข์อันใดบังเกิดมีขึ้นเป็นธรรมดาของโลกประขันเขาต้องเป็นอย่างนี้มาอย่างนี้